ผู้หญิงคนหนึ่งพาลูกชายวัยเจ็ดแปดขวบไปส่งที่โรงเรียนขณะที่เดินผ่านสนามเด็กเล่นก็เห็นม้านั่งสีสวยเลยนะสดใสก็เลยจะเดินก็เลยเดินตรงจะไปนั่งเก้าอี้นั้นนะเป็นม้านั่งนะแต่ลูกชายห้ามไว้บอกว่าแม่ นั่นเป็นม้านั่งสําหรับเพื่อนแม่ก็งงนะหมายความว่ายังไงเด็กก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยเวลาเด็กคนไหนเนี่ยเหงาหรือไม่มีเพื่อนเล่นแล้วก็จะไปนั่งตรงม้านั่งนี่แหละคนอื่นก็ได้รู้ว่าเนี่ยเด็กคนนี้เขาไม่มีเพื่อนเล่นก็จะไปชวนเขาเมาเล่นด้วยกัน แล้วเด็กก็เล่าว่าเนี่ยเมื่อตอนต้นปีเนี่ยผมไม่มีเพื่อนเลยนะก็เลยมานั่งที่มานั่งนี่แหละแล้วก็มีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยมาชวนผมไปเล่นผมมีความสุขมากเลยแล้วต่อหลังเนี่ยเวลามีเวลาเห็นเด็กคนไหนหรือเพื่อนคนไหนนี่ไปนั่งตรงมานั่งนี่ ผมก็จะไปชวนเข้ามาเล่นด้วยกันโอ้แม่เลยเข้าใจเลยนะเม่มันเป็นความคิดที่ดีนะเพราะว่าเด็กเนี่ยจนวนไม่น้อยเนี่ยนะเวลาเข้าเรียนใหม่ๆไม่ค่อยมีเพื่อนก็จะเหงาหรือบางทีเรียนไปแล้วมีบางช่วงมาเวลาก็เหงาแต่ว่า ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ว่าจะบอกใครหรือส่งสัญญาณยังไงในการที่ไปนั่งตรงเก้าอี้ตัวนั้นแหละนะมันทำให้เพื่อนๆหรือว่านี่เพื่อนเราคนนี้เขาเหงานะเขามีเพื่อนเล่นนะเราไปชวนเขามาเล่นดีกว่ามันก็เป็นตัวช่วยนะที่ทำให้เพื่อนๆ เ, เนี่ยหรือเด็กๆ เ, เนี่ยเขาแสดงน้ำใจ ที่จริงเด็กก็มีอยู่แล้วล่ะนะมีน้ำใจอยากจะช่วยเหลือเพื่อนที่เหงาอยากจะชวนเข้ามาเล่นแต่บางทีไม่รู้แต่ลรงเรียนนี้นะพิเศษนะมีตัวช่วยนะไอ้มนั่งตัวนี้เขาเรียกว่ามะนั่งคู่หูนะ b u d y branch มะนั่งคู่หูเป็นการช่วยให้เด็กที่เขาเหงาไม่มีเพื่อนเนี่ยเขา ได้ส่งสัญญาณบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยว่าฉันเหงานะมาชวนฉันไปนเล่นหน่อยนะ้มานั่งแบบนี้นี่น่าสนใจนะคนที่คิดนี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่นะไม่ใช่ครูนะแต่เป็นเด็กเป็นเด็กประถมนะอันนี้เชียเมริกานะเขาไปเสนอความคิดนี้ให้กับครูใหญ่หรือผู้อำนวย ก, การโรงเรียน ว่าน่าจะมีเก้าอี้หรือม้านั่งแบบเนี้เผื่อว่านักเรียนคนไหนห้องเหงาเขาว้าเหวไม่มีเพื่อนก็จะได้มามันนั่งตรงเนี้แล้วบอกเพื่อนเป็นการบอกเพื่อนเพื่อนมองงังพึงดีเด็กที่มีปัญหาก็ไม่กล้าพูดไม่รู้วจะพูดยังไงเดีย๋ยวว่าแต่เด็กนะผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะเวลาเหงาเวลามีความเศร้าก็บางคนก็ไม่ ไม่รู้จะพูดยังไงหรือไม่กล้าพูดแต่ว่าการพาตัวมานั่งตรงเก้าอี้แบบนี้หรือมานั่งแบบนี้นี่มันง่ายกว่าไม่ต้องพูดอะไรแค่นั่งเฉยๆเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาแล้วว่าเนี่ยมาชวนฉันไปเล่นหน่อยนะหรือมาพูดคุยกับฉันหน่อยที่น่าสนใจคือว่ามันก็มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะในประเทศแอฟริกา เขามีม้านั่งชนิดหนึ่งเรียกว่าม้านั่งมิตรภาพนะทำกันมา20ปีแล้วม้านั่งมิตรภาพเนี่ยเขามีไว้สำหรับคนที่มีปัญหาซึมเศร้านะเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่นี่เป็นเงินเยอะในแอฟริกานี่ก็เป็นเงินเยอะเมืองไทยก็มีมากผู้ใหญ่ที่ไปโลกซึมเศร้าคนเหล่านี้เนี่ยถ้าก็ามีโอกาสได้ระบายได้เล่า และมีคนฟังด้วยความตั้งใจนี่ก็ช่วยได้เยอะนะในฟริการนี่หมอที่จะช่วยบรรเทาโรคซึมเศร้าก็มีน้อยนะจิตแพทย์ก็เลยใช้วิธีแบบนี้แหละนะฝึกคุณยายคุณย่าหรือคุณป้าให้มาเป็นผู้ที่ช่วยรับฟังความทุกข์ของคนที่มีปัญหา ก็จะเอาก็มานั่งเนี่ยมาวางไว้ตรงหน้าคลินิกบ้างนะถ้าเป็นในเมืองคลินิกจิตแพทย์หรือไม่ฉะนั้นก็เป็นถ้าเป็นในหมู่บ้านก็อาจจะในสวนนะหรือว่าสถานที่ที่มันเป็นสาธารณะเช่นศาลากลางบ้านเนี่ยใครที่มีปัญหานะก็มาหย่อนก้นนะตรงมานั่งเนี่ย แล้วจะมีคุณป้าคุณยายที่เขาได้ลับการฝึกแล้วนี่มามันนั่งคุยส่วนใหญ่ก็ฟังนฟังไม่ได้สั่งสอนอะไรนะฟังแล้วก็ซักถามให้คนที่มีปัญหานี่เขาได้เล่าได้ระบายถ้ามีปัญหาหนักนะคุณยา่าคุณยายนี่ก็จะไปบอกจิตแพทย์นะ หรือบอกนะักจิตบาบัดว่าเนี่ยมาช่วยดูแลคนนี้หน่อยนะเพราะว่าคุณยาคุณยายที่เป็นจิตอาสาที่ถูกฝึกมานี่เขาก็ได้รับคำแนะนำนะว่าเนี่ยถ้าใครมีปัญหาหนักก็ให้ติดต่ อ, อหมอผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญพมันช่วยได้เยอะเลยนะในแอฟริกาตอนหลังก็กระจายไปหลายประเทศนะ มันก็ง่ายวิธีง่ายๆนะคือเอาม้านั่งมาตั้งเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้ความคิดนี้ไปไปถึงหูเด็กในอเมริกาหรือเปล่านะแต่เด็กก็สามารถจะคิดเองได้นะเด็กเขาเสนอผู้ใหญ่หรือครูใหญ่ว่าเนี่ยน่าจะมีม้านั่งแบบนี้ในโรงเรียนให้เพื่อนยิงเหงามานั่งเพื่อส่งสัญญาณล้วครูก็ดีนะ ฟังเด็กนะเออเป็นความคิดที่ดีครูก็ทําพอทำแล้วได้ผลมันก็เลยแพร่หลายไปหลายโรงเรียนรวมทั้งโรงเรียนที่เด็กคนที่เราเนี่ยวันนี้ก็มีหลายโรงเรียนนะทจริงมันก็น่าจะมีกันไปทั่วเลยนะเมืองไทยก็น่าจะมีด้วยเพราะเดี๋ยวนี้คนก็เหงาเยอะไม่ใช่เฉพาะเด็กประถมอย่างเดียวเด็กมัธยมก็เหงาที่ ต้องพึ่งพาโซเชียลมีเดียติดกันงอมแงมเนี่ยเพราะเหงาและยิ่งติดพวกโทรศัพท์มือถือก็ทำให้เหงามากขึ้นเพราะว่าไม่ค่อยได้ไปสูงสิงพูดคุยกับใครในเมืองไทยนี่ก็มีคนทําคล้ายๆกันนี่นะแต่ไม่ได้ใช้มานั่งนะเขาพาตัวไปพาตัวไปนั่งอยู่ตรงสวนสาธารณะในกรุงเทพเนี่ยแล้วก็เขียนป้ายว่าจุดพักใจใครที่มีปัญหา อยากจะหาเพื่อนคุยก็มาคุยกับเขาเจนะสาวนี้ชื่อเขื่อนนะแล้วก็ทำทุกทิต์นะตามสวนสาธารณะใหญ่ๆ ใ, ในกรุงเทพอันนี้เรียกว่าน่าชื่นชมมากนะมีเวลาหาเวลามาเพื่อช่วยสงเคราะห์คนที่ลำบากนะทั้งที่ตัวเองนี้ก็สามารถจะไปทำเงินได้นะเพราะมีความรู้ด้านจิตวิยาจิตบำบัดนะแต่ว่า มันเป็นจิตอาสามาช่วยเหลือคนความที่มันก็คล้ายๆกันนะนก็คือว่าคนที่มีความทุกข์นี้เขาต้องการคนพูดคุยถึงแม้เป็นเด็กนะก็รู้จักความเหงาแล้วถ้ามีคนมาชวนไปเล่นมันก็ช่วยทาให้เขามีความสุขนะแล้วมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ช่วยเหลือเพื่อนด้วยบางที่เด็กเนะอยากจะช่วยเพื่อนนะเพราะเด็กมีน้ำใจแต่ไม่รู้จะช่วยยังไง พอมีม้านั่งแบบนี้ก็เรียกว่ารู้เลยนะใครเหงาก็ไปชวนเข้ามาเล่นมันทำให้ให้ความมีน้ำใจของเด็กเนี่ยได้รับการบ่มเพาะหรือว่าทํานุบม ร, รุงให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเอื้อเฟื้อแ้ถึงเวลาตัวเองเหงาบ้างน ะ, ะก็มีคนมาช่วยเหมือนกันนะ